จะมีความรู้สึกดีที่มีความรู้สึกดีเพราะรู้สึกว่ามาแล้วก็จะได้บุญที่คิดเช่นนี้ก็เพราะว่านะวัดเนี่ยเป็นพื้นที่บุญเมื่อได้เข้ามาในพื้นที่บุญนะก็จะพลอยได้รับบุญไปด้วยทีจ่จริงมันก็ยังเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ว่า มาแล้วทำอะไรนะมาวัดแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดบุญนะปฏิบัติที่วเนี่ยก็าจะเริ่มต้นตั้งแต่นะการทำใจให้สงบเนะพราะว่าพอทำใจสงบ ทิ้งความวิตกกังวลต่างๆเอาไว้หน้าวัดไม่ว่าจะเป็นวิความวิตกเกี่ยวกับงานการหรือว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับผู้คนลูกหลานพ่อแม่คนรักใจมันก็พร้อมทจะเปิดรับความสงบจากสถานที่โดยเฉพาะวัดที่ มีความร่มรื่นมีความสงบสงัดเพียงแค่เปิดใจรับซึมซับเอาความสงบสงัดของพื้นที่โดยรอบเนี่ยใจก็เป็นบุญแล้วล่ะหรือว่ามาแล้วได้เห็นพระพุทธรูป จิตเกิดศรัทธาเกิดความปิติอิ่มเอิบนะอันนี้ก็บุญก็ได้เกิดขึ้นแล้วที่ใจยิ่งถ้าหากว่าได้ทำ ม, มากกว่านนั้นน ะ, ะเช่นมาบาเพ็ญทานถวายทานไม่ใช่เพื่ออะไรนะแต่เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้รับอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันนะ แล้วจะได้บุญมากขึ้นนะถ้าว่ามารักษาศีลนะสํารวมกายวาจาไม่ใช่เฉพาะเวลามาวัดนะแต่รวมถึงเวลาออกจากวัดนะนะสํารวมกายวาจาให้อยู่ในศีลนะอันนี้ใจก็ยิ่งเป็นบุญเข้าไปใหญ่หรือว่าจะได้บุญยิ่งกว่า น, นั้นอีกนะถ้ามาฟังทรรมถ้ามีชาวบูจานวนมากเนี่ย มาวัดก็จริงแต่ก็มาเพียงแค่มาทำบุญมาถวายอาหารจะพอถึงเวลาฟังธรรมนี่ค่อยๆหลบค่อยๆหนีหายไปอันนี้ก็มีนะหลายวัดนะที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าเปิดใจฟังธรรมด้วยเนี่ยแล้วก็พิจารณาใครครวน บุญก็เกิดขึ้นนะอาจจะยิ่งกว่าการถวายทานซะอีกนะโดยเพราะถ้าเป็นการฟังธรรมแล้วก็ทําความเห็นให้ถูกต้องถูกทำตรงตามความเป็นจริงนี่ก็เรียกว่ามีการเห็นตรงตามความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นบุญมากเลย แล้วยิ่งจะได้บุญมากขึ้นนะถ้าว่ามีการบําเพ็ญภาวนาด้วยอยู่ที่เราเรียกแบบชาวบ้านชาวบ้านวันนี้ทำสมาธินะซึ่งจริงจริงเนี่ยมันก็หมายถึงการฝึกจิตนั่นแหละถ้าถ้าว่ามาวัดแล้วมาปฏิบัตินะ นั่นแหละนะจึงจะได้บุญหรือเกิดบุญที่ใจเช่นเดียวกันนะเมื่อมาบวชไม่ใช่เพียงแค่ว่าเอาครองผ้าแล้วเนี่ยมันจะได้บุญคนจนวนมากเชื่อแบบนั้นนะแล้วก็ได้บุญมากพอที่จะเผื่อแพ่อุทิศไปให้กับ พ่อแม่อย่างที่มีความเชื่อว่าถ้าลูกบวชพ่อแม่ก็จะพลอยได้บุญไปด้วยโดยอัตโนมัติหรือบางที่เรียกว่าพ่อแม่จับชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ไปเลยอันนั้นเนี่ยบุญมันจะไม่ได้เกิดขึ้นนันทีนะจากการคลองผ้าใ่ว่าผ่านพิธีอุปสมบทมาอย่างถูกต้อง แต่ยังขึ้นอยู่กับการปฏิบัติในระหว่างที่คลองผ้าด้วยนะซึ่งก็รวมไปถึงการบําเพ็ญภาวนาการเจริญสติการทำสมาธิไม่ใช่ว่าตัวอยู่วัดแล้วเนี่ยมันจะได้บุญทันทีอันนี้ความเข้าใจแบบนี้ก็มีอยู่มากนะเพราะคิดว่าวัดเนี่ยคือพื้นที่บุญแต่ที่จริงพื้นที่บุญที่สำคัญเนี่ยนะ มันอยู่ในใจของเราใจเราเนี่ยสามารถจะเป็นพื้นที่บุญก็ได้เป็นพื้นที่บาปก็ได้แต่ถ้าว่าเรามีการปฏิบัติไม่ว่าด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังธรรมหรือด้วยการปฏิบัติเนี่ยใจเราก็จะเป็นพื้นที่บุญขึ้นมาทันทีเลยเปลี่ยนไปได้วยกุศล แม้ว่าตัวจะอยู่นอกวัดในทางตรงข้ามนะแม้ว่าตัวอยู่ในวัดไม่ว่าจะในฐานะที่เป็นครหอัดนะหรือเป็นพระหรือเป็นแม่ชีแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ได้มีการปฏิบัติซึ่งเป็นไปเพื่อการฝึกจิตเนี่ยเมื่อใจมันไม่เป็นบุญแล้วเนะี่ยจะได้บุญจากไหน นี่พราะพูดถึงการปฏิบัติเนี่ยโดยเพราะการภาวนาเจริญสติทำสมาธิเนี่ยหรือบางทีเรียกว่าทำกรรมฐานเนี่ยหลายคนก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะมองว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยส่วนหนึ่งเพราะไปเข้าใจว่าเนี่ยการภาวนาหรือการทำสมาธิเนี่ย มั น, นมันมีจุดมุ่งหมายนะเพื่อการเห็นสีเห็นแสงเห็นนรกสวรรค์หรือบางทีก็ไปคิดว่าเนี่ยมันเป็นการนั่งทางในถ่ายใจผู้คนพอคิดแบบนี้เข้านะค็เลยเชคืว่ามันเป็นเรื่องของเกจิอาจารย์มันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ได้คิดที่จะเห็นสีเห็นแสง ไม่ปรารถนาที่จะเห็นรลกสวรรค์เราก็ไม่คิดที่จะนั่งทางในนะเห็นเลขเห็นเบอร์หรือทายใจใครเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิภาวนาหรือการเจริญสติมันไม่ใช่เรื่องของฉันนะอันนี้ไม่ถูกนะที่ไม่ถูกเพราะว่าการเจริญสติหรือการทําสมาธิภาวนาในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อสิ่งที่ว่า มันมเป็เรื่องการฝึกจิตให้เป็นกุศลไม่ให้อกุศลครอบงำเพราะถ้าอากุศลครอบงำแล้วมันก็สามารถจะชักนาให้เราทำชั่วทำบาปผิดศีลผิดธรรมได้คนเราเนี่ยแม้ว่าอยากจะเป็นคนดีหรือตั้งใจจะเป็นคนดีแต่บางทีมันเผลอทำชั่วลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ย หรือว่าต่อว่าด่าทอใส่ร้ายผู้คนเนี่ยมันก็เพราะความเผลอเผลอตัวขาดสติปล่อยให้อารมณ์เช่นโลภะโทสะความอิจฉาพยาบาทครอบงำถ้าพอมันเกิดขึ้นครอบงำใจแล้วนะมันไม่เพียงแต่พาเราไปทำร้ายคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นคนที่เรารักด้วยซ้ำเป็นพ่อแม่เป็นลูก มันยังทำให้เราทำร้ายตัวเองได้ง่ายผู้คนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยหาทุกมาใส่ตัวหรือว่าซ้ำเติมตัวเองอยู่บ่อยๆแค่อยู่เฉยๆเนี่ยมันก็มีทุกภพลแรงอยู่แล้วนะทุกจากกายนะที่ปวดที่เมื่อยที่หิวหรือบางทีก็เจ็บป่วยหรือแก่ชารา แต่ถ้าไม่พอนะผู้คนก็ยังเอาทุกมาซ้ำเติมจิตใจของตัวด้วยการปล่อยใจฟุ้งซ่านคิดไปถึงเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดพอไปนึกถึงการกระทำและคำพูดของใครบางคนที่ทำให้เราเจ็บปวด แทนี่จะปล่อยให้มันผ่านเลยไปเพราะว่าเจ็บปวดข้างนั้นมันก็พออยู่แล้วเนี่ยกลับซ้ำเติมตัวอีกนด้วยการคิดซ้ำคิด้ากคิดแต่ละทีแต่ละทีเนี่ยก็คือการสร้างทุกข์ให้กับตัว เ, เหมือนกับเอามีดมาทิ่มมาแทงตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทีแรกเนี่ยคนเนเข้า ใช้วาจามาทิมแทงเราเราปวดแต่เท่าไม่พอนะเราก็เอาวาจาของเขาเนี่ยมาทิมแทงตัวเราเองนะเอาวาจาของเขาเอาคำพูดขเขามาทิ่มแทงตัวเองด้วยการคิดนึกถึงคาพูดเหล่านั้นซ้าแล้วซ้าอีกคิดทีไรก็เหมือนกับ ทิมแทงตัวเองนะคิดสิครั้งก็ทิมแทง1ิบครั้งแล้วใครทุกขนะ์ก็เราทุกข์อันนี้เพราะอะไรเพราะใจนะที่ขาดสติใจที่ถูกครอบงำนะด้วยความโกรธความเศร้าตอนอภิการนด้นเวลามีคนขโมยเงินเราไปเนี่ยหรือโกงเงินเราเนี่ย สมมติกงเราไปพันบาทเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงเหตุการณ์นั้นด้วยความโกรธหรือด้วยความเสียดายเสร็จ แ, แล้วคิ ด, คดทีดทไร ก, ก็ทุกทุกทีถ้าความทุกข์นั้นคิดเป็นเงินนะสมมติว่า100บาทเนี่ยคิด10ครั้งนี่ก็มันเท่ากับพันบาทคิด20ครั้งก็เท่ากับ 2,000 เข้าเอาเงินเราไปพันบาทนะันแต่ว่า เรานะกับบั่นทอนตัวเองให้เป็นทุกข์คิดเป็นเงินก็2 0 0พันหรือบางทีมากกว่านั้นอีกนะ3 0 0 0ัน0 0พคนอื่นทำเรานี่ไม่มากกับไม่เท่าไม่มากเท่ากับที่เราทำตัวเราเองเพราะขาดสตินะจะเทาว่าเรามีสติเมื่อไหร่นะเราจะไม่ทำอย่างนั้นเลยหรืออาจจะเพ้อทำก็ทำ ก็เดีย๋ยวปดาวแล้วก็มีสติรู้ตัวไม่ปล่อยใจให้ไหลไปจมอยู่กับอดีตนี่พาะดีนะ่าจะไม่นับถึงเรื่องอนาคตนะที่ปรุงแต่งแล้วเกิดความเครียดเกิดความวิตกเกิดความกังวลเมื่อเครียดทีใดวิตกกังวลทีใดมันก็พอใจไปนึกถึงอนาคตเป็นนึกวาดภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ในทางลบทางร้ายมันก็เหมือนกับซ้ําเติมตัวเองมันยังไม่เกิดขึ้นเลยในะแต่ว่าทุกไปเรียบร้อยแล้วบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นวันเป็นคืนหลายวันหลายคืนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนี่เพราะใจที่ขาดสติแต่ถ้าเกิดเรามีสตินะซึ่งเกิดจากการฝึกนะเรารู้จักอยู่กับปัจจุบัน ไม่ปล่อยใจให้หลาไปอดีตลอยไปอนาคตหรือไม่คิดเรียราดนะเราจะซ้าเติมตัวเองน้อยลงเราจะมีจิตใจที่โปร่งเบาเพราะรู้จักปล่อยรู้จักวางนะไอ้ที่เคยหนักอกหนักใจเพราะว่าไปแบกเอามาท่วมทับตัวเองมันก็จะลดน้อยถอยลงสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะคือความสงบ นะคือความสุขคือความปกติและนี่คือสิ่งที่เราปรารถนาไม่ใช่เลย้การเจริญสติหรือการทำสมาธิภาวนา น, นี่มันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นนะมันไม่ใช่เรื่องของเกจิอาจารย์ไม่ใช่เรื่องของหลวงพ่อหลวงตานะแต่เป็นเรื่องของเราโดยตรงเลยเพราะมันจะช่วยทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะดารงชีวิตอย่างมีความสุข แล้วก็อยู่ในศีลในธรรมได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจึงควรเห็นความสำคัญนะของการเจริญสติเมื่อมาวัดนะก็หอาโอกาสที่จะเรียนรู้หาโอกาสที่จะฝึกเพื่อ น, นำไปปฏิบัติต่อนะที่บ้านหรือทุกที่นะที่มีโอกาสนี่บางคนเนี่ย พอพูดถึงสติหรือการจลรสติสมาธิภาวนานเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องของเกจิอาจารย์ไม่ใช่เรื่องของเราอีกส่วนหนึ่งอาจจะเกิดความกลัวก็ได้นะเพราะว่าเห็นบางคนหรือได้ยินมาว่าเนเขาทำกรรมาฐานแล้วนี่เขาเกิดเพี้ยนเกิดบ้าขึ้นมาเกิดมิจิตห้อนขึ้นมา อันนี้ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะการเจริญสติการทำสมาธินะคือถ้าทำถูกต้องเนี่ยมันไม่เกิดอาการที่ว่าเลยก็เหมือนกับเราได้ยินหรือได้พบมาว่าเนี่ยมีวัยรุ่นเนี่ยขับรถแหกโค้งชนเสาตายหรือพิการ หรือขับรถประสานงานนะกับรถเม์นะจนเสียชีวิตเนี่ยโอเราก็คิดว่าเ น, นียโอ้เนีเป็นพ่อขับรถแท้ๆเลยว่าน่าเราอยากขับรถดีกว่านะที่จริงไม่ใช่นะไอเหตุสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพ่ขับรถถ้าขับรถอย่างถูกต้องเนี่ยนะยังไม่ประมาทปฏิบัติตามกฎเนี่ยมันไม่เกิดเหตุที่ว่าหรอก แต่เพราะขับไม่ถูกมากกว่าหรือขับไม่เป็นไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุเช่นเดียวกันนะคนที่เขามีอาการเพี้ยนนะหรือว่าบ้าหรือว่าจิตหลอนหลังจากที่ไปทำสมาธิจิญสติเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่เป็นเพราะการจริญสติการทำสมาธินะ แต่เป็นเพราะทำไม่ถูกมากกว่าสิ่งดีๆนะแม้จะมีประโยชน์เพียงใดแต่ถ้าทำผิดนะอย่าทำดีกว่าขับรถเนี่ยนะมีประโยชน์แต่ถ้าทำไม่เป็นขับไม่เป็นนะอย่าขับดีกว่าเพราะมันจะเกิดผลเสียสติสมาธิก็เหมือนกันนะมันมีประโยชน์ แต่ถ้าว่าปฏิบัติผิดเนี่ยมันก็เกิดโทษได้ที่ปฏิบัติผิดเพราะอะไรนะไอนน้เป็นเพราะว่าไปาไปบังคับจิตไปหลงเชื่อความคิดนะมันมีนิมิตมันมีภาพหลอนหรือภาพปรุงแต่งขึ้นก็ไปหลงเชื่อมันหรือว่าคิดที่จะภาวนาเพื่อการเห็นสีเห็นแสงมันก็เลย พอตั้งจิตผิดปฏิบัติผิดมันก็เลยเกิดความผิดพลาดขึ้นมาหรือบางคนเนี่ยก็จะไม่ถึงกับจิตร้อนแต่ว่าอาจจะเกิดความเครียดนะเครียดอย่างหนักปวดหัวแน่นหน้าอกนะหรือว่าหายใจไม่เต็มท้องนะบางทีตัวเกร็งเนี่ย อันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะการปฏิบัตินะแต่เป็นเพราะการวางใจไม่ถูกหรือเพราะการไปพยายามกดข่มความคิดบังคับจิตไม่ให้คิดหรือบังคับจิตให้มันแน่วแน่ปักตรึงอยู่กับลมหายใจพอมีความคิดอะไรก็ไปกดข่มมันเอาไว้หรือทำด้วย ความอยากนะอยากให้มันสงบเร็วๆอยากให้มันสงบไมไวไยใจร้อนก็เลยพยายามบังคับจิตนะให้มันนิ่งไอ้แบบนี้ก็เครียดได้นี่เป็นเพราะปฏิบัติผิดมากกว่าที่จริงเนี่ยมันคนที่ปฏิบัติเนี่ยจำนวนไม่น้อยก็มีปัญหานะแม้ว่าเจตนาดีก็ตาม ตอนนี้การเจริญสติเนี่ยมันเป็นที่นิยมมากนะแพร่หลายในต่างประเทศทั้งอเมริกายุโรปนี่ไม่มีคนสนใจปฏิบัติกันมากคนทุกอาชีพเลยก็ว่าได้ครูนักศึกษานักธุรกิจผู้ประกอบการบางทีรวมไปถึงทหารนักการเมือง ตอนนี้เนี่ยเวลาพูดถึงว่าการเจริญสติหรือ mindfulness เนี่ยคนจะสนใจมากแต่ในเวลเดียวกันมันก็มีการตั้งข้อสังเกตนะว่าเจริญสติเนี่ยมันก็มีโทษไม่น้อยอย่างเช่นว่าเนี่ยเจริญสติไปแล้วเนี่ยเกิดอาการ นิ่งเฉยด้านชานะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์นะหรือบางทีก็เปลี่ยนมากับซอมบี้เนี่ยซอมบี้เนี่ยมันก็ผีดิบ น, นะถ้ามีคนตั้งข้อสังเกตนะแล้วที่เขาตั้งข้อสังเกตก็ก็มีก็เป็นจริงนะมันก็มีคนแบบนี้อยู่มากพอเจริญสติไปแล้วเนี่ยนะเหมือนหุ่นยนต์เลยแต่นั่นไม่ใช่เป็นเพราะ ผลของการเจริญสติอย่างถูกต้องนะ<อ>แต่เป็นพาะพยาไปบังคับจิตให้มันนิ่งเพราะคิดว่านิ่งเนี่ยดี<อ>นะเวลามีอะไรมากระทบนะไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงพอมากระทบนี่ก็ไปบังคับจิตให้นิ่งเนะพราะถือว่าถ้าหากจิตมันกระเพื่อมเนี่ย แสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกปฏแสดงว่าไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติที่จริงถ้าเป็นการเจริญสติเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเวลามีแรงมากระทบก็ปล่อยให้จิตเนี่ยมันกระเทือนถ้าหาว่าจิตมันจะกระเทือนนะก็ปล่อยให้มันกระเทือนไปและแม้ว่ามันจะมีอารมณ์ผุดขึ้นมาหรือกิเลสผุดขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่สิ่งสมัคสิงสมคคือว่าดูมันเห็นมันเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบมันไม่ใช่การบังคับจิตให้นิ่งนะไม่รู้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้สึกรู้สาคนที่เจริญสติเนี่ยเขาก็ยังหัวเราะได้นะเขาก็จะเห็นความงดงามของธรรมชาติรอบตัวเฮ้ยผู้ใหญ่หนูเขา รู้สึกนะถึงความสุขได้ด้วยเพียงแต่ว่าสุขก็รู้ว่าสุขนะเช่นเดียวกันเครียดก็รู้ว่าเครียดนะโมโหก็รู้ว่าโม โ, มโหแต่ว่าไม่ปล่อยให้อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันมาครอบงำอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านใช้คำว่าเห็นนะไม่เข้าไปเป็นพระอรหันต์หลายท่านนะพอท่านได้เข้าถึง ถึงทำอย่างแท้จริงนี่ท่านมีความสุขเลยนะอย่างาพระปฏิญาณ น, นี่ก็ขณะที่ภาวนาอยู่พูดเดียวท่านก็ลาพึงนะสุขหนอสุขหน อ, ห น, อนะไม่ใช่ว่าภาวนาไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นซอมบี้เป็นหุ่นจ น, นะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่ปุถุชนก็ยังมีมีความดีใจมีความเสียใจนะ กินอาหารก็อร่อยฟังเพลงก็รู้สึกไพเราะแต่ก็รู้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจไม่เข้าไปยึดนะไม่เข้าไปาผูกติดอยู่กับมันซึ่งมันก็ทำให้เวลาดีใจก็ไม่ได้ดีใจจนหมดเนื้อหมดตัวเวลาทุกข์ก็ไม่ได้ทุกข์จนลืมเนื้อลืมตัวหรือว่าเวลาเศร้าโศกก็ไม่ใช่ ตโอกชกหัวแต่ว่าเฝ้าดูมันนะอยู่ห่างๆรู้รับรูนะ้แต่ว่าไม่ได้ไปหลงกับมันยังมีสตยิยังมีความรู้สึกนะแต่ไม่ถูกครอบงาด้วยความรู้สึกนั้นจนกระทั่งเสียผู้เสียคนและที่จริงแล้วเนี่ยสามารถจะใช้ประโยชน์จากความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านั้นด้วยนะ ทำให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของกายและใจยังมีคนพูดนว่าเนี่ยการเจริญสตินี่มันทำให้คนเห็นแก่ตัวฝรั่งนี่เขาศึกษาทำวิจัยเรื่องนี้เลยนะเอาคนที่มาเจริญสตินี่มาศึกษาพฤติกรรมเนี่ยแล้วก็สูบว่าเนี่ยเจริญสติแล้วเนี่ยเห็นแก่ตัวมากขึ้นไอ้ที่เขาเห็นเนี่ยอาจจะจริงก็ได้นะ แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าที่ที่ปฏิบัติกันเนี่ยมันทําถูกมันก็มีอยู่นะคนที่เจริญสติหรือทําสมาธิแล้ว เ, เห็นแก่ตัวอันนี้ก็มีอยู่นะทั่วไปแต่นั่นเป็นเพราะเขาปฏิบัติผิดมากกว่าก็คือว่าทำแล้วไปติดสงบพอไปติดสงบเนี่ยมันก็ไม่อยากจะออกไปทํางานทําการไม่ออกไปเกี่ยวข้งของกับผู้คนไม่อยากอกไปรับผิด ช, ชอบส่วนรวม ที่จริงการเจริญสติเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยมั น, นช่วยลความเห็นแก่ตัวนะมันทําให้เห็นกินเลสมันทําให้รู้เท่าทันความเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้นในใจแต่ถ้าว่าเจริญสติไม่เป็นเนี่ย น, น, นะมันก็พอติดสงบแล้วเนี่ยมันก็เห็นแก่ตัวมากขึ้นได้ไง่ายนะอันนี้เป็นเพราะปฏิบัติไม่ถูกนะมันถ้าปฏิบัติถูกแล้วเนี่ยนะมันจะเห็นความเห็นแก่ตัว มันจะเห็นอัตตาแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันคลองใจสติมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จ ะ, ะกล้าทนะรมานอัตตาหรือทวนกระแสกิเลสได้มันยังมีนะคำพูดถึงนะว่าซึ่งก็มีเหตุมีผลมีน้ำหนักเหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยผลเจริญสติมากๆเนี่ยมันจะทำให้เมินเฉยต่ออารมณ์ ความรู้สึกเขาบอกว่าเนี่ยอารมณ์ควาสื่อบางอย่างเนี่ยเหมือนเฉยมันก็ดีเหมือนกันนะเช่นความโกรธหรือความเครียดเนี่ยแต่อารมณ์ความสื่อบางอย่างมันมีประโยชน์นะเช่นความรู้สึกเสียใจเมื่อได้ทําอะไรผิดพลาดหรือความรู้สึกผิดเนี่ยเพราะว่ามันนําไปสู่การแก้ไขนําไปสู่การขอโทษแล้วเขาก็บอกเนี่ยคนเจริญสติมากๆนี่มันจะไม่รู้สึกนะรู้สึกผิด จะเหมือนเฉยต่อความรู้สึกผิดหรือความสึกเสียใจก็เคยมีการทดลองนะเอาคนกลุ่มหนึ่งมาแบ่งเป็น2คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะให้มาระลึกนึกถึงสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตแล้วก็เขียนมันลงไปหลังจากนั้นก็แบ่งกันเป็น2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็ให้มาเจริญสติอยู่กับลมหายใจอีกกลุ่มหนึ่งก็ปล่อยใจตามสบายเสร็จแล้วพอเสร็จ เสร็จแล้วนี่เขาก็เอามากรอบแบบสอบถามนะว่ามีความรู้สึกผิดกับเรื่องราวในอดีตยอย่างไรบ้างแล้วก็เพราะว่าคนที่เจริญสตินี่จะมีความรสึกเสียใจน้อยกว่าคนที่ปล่อยใจลอยนะเขาถามว่าเนี่ยถ้ามีถ้ามีเงิน100 100ดอลลาร์เนี่ยอยากจะมอบเงินนั้นให้แก่คนที่ตัวเองทําผิดพลาดเป็นจํานวนเท่าไหร่นะ เพื่อเป็นเซอร์ไพรส์ในวันเกิดเนี่ยแล้วก็พบ ว, ว่าคนที่เจริญสติเนี่ยเฉลยลให้เงิน33ดอลลาร์นะส่วนคนที่ปล่อยใจลอยนีย่ให้เงินมากกว่านะดอลลาร์นะห่างกันหนึ่งแล้วก็สูบวเนี่ยให้เจริญสตินี่มันทำให้คนรู้สึกผิดนะน้อยก็คือไม่ดี ที่จริงความรู้สึกอันนี้เป็นความสูตรแบบนี้มันก็น่าสงสัยนะเพราะว่ามันแสดงว่าเนี่ยในทัศนคติของผู้วิจัย เ, ยเขาเข้าใจว่าเนี่ยถ้ารู้สึกผิดมากนี่คือดีถ้ารู้สึกผิดน้อยเนี่ยคือไม่ดีและเนื่องจากคนที่เจริญสติเขาจะรู้สึกผิดน้อยกว่าคนที่ไม่เจริญสตินะจึงไม่ดีนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ย ไอการที่มีความรู้สึกผิดมากๆนี่มันก็ไม่ได้แปลเป็นของดีเสมอไปนะคนบางคนนี่รู้รสึกผิดมากจกนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีถึงกับฆ่าตัวตายแล้วก็มีมันไม่ได้แปลว่ารู้สึกผิดมากๆเนี่ยคือดีรู้สึกผิดน้อยเนี่ยคือไม่ดีและที่สำคัญคือว่ามันไม่ได้แปลว่าจุลสติแล้วจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะก็รู้สึกนะแต่ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นนี่มันครอบงํำนะจกนกระทั่ง กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความโกรธความเศร้าหรือความรู้สึกวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าว่าเราเจริญสติอย่างถูกต้องนะไอ้สิ่งที่เขาพูดมานี่มันมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่ปัญหาไอ้ที่เกิดขึ้นจะเป็นปัญหาเพราะาปฏิบัติไม่ถูกเนะือเพราะการกดข่มอารมณ์ความคิดหรือการพยายามบังคับจิตให้นิ่งนะทีงรจริงการเจริญสตินี่มันไม่ใช่เป็นการบังคับจิตแล้วเป็นการเปิดรับ ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่รับรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะรับรู้โดยที่ไม่ไม่เข้าไปยึดนะเป็นการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินนะซึ่งมันช่วยทำให้เราสามารถที่จะเป็นอิสระจากอารมณ์และเราสามารถที่จะทำหน้าที่ทำกิจการงานได้นะอย่างถูกต้อง พอถ้าเราไม่รู้จักป่อยไม่รู้จักวางไอการที่เราจะมีสมาธิกับอะไรก็ตามเมื่อจะเป็นการดําเนินชีวิตการทํางานเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจริญสติเนี่ยถ้าเราเข้าใจถูกต้องเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญนะสำหรับทุกคนเลยมันไม่ใช่ว่าเฉพาะเกจิอาจารย์หรือเฉพาะพระเท่านั้นแต่ทุกคนที่ปรารถนาชีวิตที่ ผาสุกนะแล้วก็ต้องการที่จะดําเนินช่วยให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็สมาธคือว่าเมื่อตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกนะมันก็จะเกิดอนิสงส์เป็นผลดีนะยิ่งถ้าหากว่าทาแล้วเนี่ยไม่เพียงแต่จิตสงบแต่ว่าพิจารณาความจริงที่เกิดขึ้นกับกายและใจเกิดปัญญาจิตมันก็สว่างได้นะ และการสว่างเนี่ยก็สามารถเที่จนนำไปสู่นะความพ้นทุกข์หรือออกจากทุกข์ได้อาอยางนิพุทธ น, นีนะกลับ